ฝายอิงทรังวันนั้นเป็นวันที่ดีถนนสุดสวยตลาดคึกคักบ้านสีทองเอ๊ะเดี๋ยวนะบ้านสีทองเหรอโอ้นั่นคือบ้านของพ่อค้าคนรวยพ๋อคงจะน่าเสียดายแน่ถ้าผมไม่เล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่เพราะพ่อค้านะแต่เขาเป็นคนที่มีความสำคัญมาก พ่อค้าคนนั้นมีเงินเยอะมากจนถึงขนาดปูทั้งถนนด้วยเงินได้และเขาฉลาดและเป็นนักธุรกิจที่ฉลาดด้วยเช่นเดียวกันเขารู้จักใช้และประหยัดเงินมากและเขาก็มีลูกชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเซเวนเซเวนเป็นคนที่ขี้เกียจและก็ขี้เกียจมากมือเท้าห ขอบคุณสวัสดีครับพ่อสวัสดีลูกหลับสบายดีใช่ไหมครับพ่อที่นอนถักด้วยทองมันนอนสบายกว่าที่นอนปกติมากเลยแต่คงต้องเอาทับทิมออกไปมันทิ่มหลังผมนะครับเออลูกนะไม่ต้องใช้ที่นอนทองกับทับทิมหรอกนะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยพ่อเรารวยและที่จริงอนะ ผมจะจัดปาร์ตี้ให้เพื่อนด้วยวันนี้ผมเพิ่งซื้อเรือใหญ่ให้พวกเขาพวกเขาด้ออยากจะฉลองลูกซื้อเรือใหญ่ให้เพื่อนเหรอพวกเขาจะฉลองด้วยการใช้เงินของเราอย่างนั้นเหรอพวกเขาเป็นเพื่อนแบบไหนกันเนี่พวกเขารักผมพวกเขาคิดว่าผมดีที่สุดพวกเขารักลูกเพราะเงินของเราเลิกพยายามทำให้ทุกคนพอใจได้แล้วสเวนอย่าคิดว่าคนอื่นจะมองเรายังไง ทำในสิ่งที่เรารักก็อพอแต่ผมรักที่จะทำให้คนอื่นชอบผมนี่นะมันไม่จริงเหรอเอ้ยพ่อไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับแกแล้วช่างเถอะฟังนะลูกพ่อมีเรื่องสำคัญจะบอกไม่หีบเก่าในห้องตายหลังคามันไม่ใช่หีบธรรมดาเสเวนลูกโตขึ้นแล้วอีกไม่นานจะเป็นผู้สืบทอดของพอ่อ มันจะเป็นของแกทั้งหมดพ่ออยากจะให้แกสัญญากับพอ่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพ่อตายแล้วอย่าเอาหีบนั่นให้กับใครเข้าใจไหมเออสัญญากับพอ่อได้พ่อผมสัญญาหลายปีผ่านไปวันหนึ่งพ่อค้าคนนั้นก็ได้จากไปตอนนั้นเซเวนโตแล้วเขาเศร้ากับพ่อของเขามากแต่เขาโตพอ ที่จะรับช่วงมรดกแล้วอะไรนะผมได้รับทุกอย่างเหรอใช่แล้วคุณสเวนคุณได้รับมรดกทั้งหมดของเขาทุกอย่างที่เป็นของเขาจะเป็นของคุณแล้วใช้อย่างฉลาดนะคุณสเวนแต่ปัญหาไม่ใช่เพื่อนของสเวนเขาใช้เงินอย่างหรูหราและฟุ่มเฟือยเขาจัดปาร์ตี้ทุกวันและแต่ละวันบ้านของเขาจะถูกปรับใหม่ มันดูต่างออกไปทุกวันและก็มีของโบราณที่แพงมากมายเพื่อนของเขาประทับใจมากทำให้เซเวนมีความสุขมากเช่นกันเซเวนรู้ว่าตอนนี้ตัวเองรวยมากเขาจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้แต่เพื่อนของเขารู้อย่างอื่นแล้วรู้ว่าเซเวนมีพรสวรรค์อยู่เขาเป็นนักเล่าเรื่องเขาเล่าเรื่องแบบที่คนอื่นทาไม่ได้คนฟังเขา จะทึ่งในการเล่าเรื่องของเขาหลังจากนั้นท้องฟ้าดื่ม น, น้ำทั้งหมดในทะเลและมหาสมุทรทำให้เกิดฝนตกว้าวราวเยี่ยมมากเลยนายทำให้ฝนตกนะสเวนเธอทำให้ฝนตกสเวนนายจะได้เงินแน่ถ้านายไปเป็นนักเล่าเรื่องนะสเวนแต่ฉันมีเงินแล้วไม่ใช่หรือยังไงแน่นอนแต่เงินนี่มันไม่ได้อยู่ไปตลอดนะ นายต้องหาเงินไม่ใช่หรื อ, อยังไงหามาแทนสิ่งที่ใช้ไปนะ้าโอ้ยอย่าทำเสียอารมณ์น้าชนแก้วใช่ชนแก้ว ช, ชนแก้วชนแก้วชนแก้วปาร์ตี้กันแต่ว่าเป็นแบบนี้ได้ไม่กี่สัปดาห์ใช่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเพราะไม่นานเงินก็หายไปสเสวนเริ่มขายของโบราณเพื่อเอามาครอบคุมค่าใช้จ่าย แต่เขาก็ยังไม่เปลี่ยนนิสัยไม่หยุดปาร์ตี้กับใช้เงินเลี้ยงเพื่อนสุดท้ายก็ถึงวันหนึง่งคนเนี่ยทั้งแตกเป็นไปไม่ได้ผมมีเงินเหลือนะแพทริกอยากจะได้รถม้าคันใหม่ผมน่าจะซื้อให้เขาได้แลนะหน่าใช่ไหมไม่คุณเสเวนเงินมันหมดแล้วที่คุณเหลือก็แค่ชุดแต่งตัวนี่แล้วก็รองเท้าแตะแล้วก็หีบเก่าๆนี่เอาไปขายก็ไม่ได้ราคาเท่าไรหรอก Oh. เงินทั้งหมดหมดไปแล้วเราไม่มีบ้านอยู่แล้วเตียงนอนก็ไม่มีโอ้ oh. นี่มันอะไรกันอ่ะคุณแจเหรอหีบนี่มีคุญแจอยู่เยี่ยมเลยว้าว <Wow. S 2> อะไรเนี่ยฉันฝันไปเหรอฉันตายไปแล้วเหรอแต่มันไม่ใช่ความตายหรือความฝันและมันก็ไม่ใช่หีบธรรมดา แต่มันคือหีพิเศษมันพาสเสวนบินข้ามทะเลและภูเขาและสุดท้ายมันก็ไปจอดที่ดินแด น, นของพวกเติร์กเวนลงจากกีบและก็ซ่อนไว้ใต้ต้นไม้เขาเดินไปทั่วตลาดทุกคนแต่งตัวเหมือนกันกับรองเท้าแตะไม่มีใครสงสัยเขาหลังจากเดินได้สักพัก เขาก็เจอวังแห่งหนึง่งว้าวบ้านหลังนั้นใหญ่มากนั่นน่ะบ้านเหรอ้เฮฮนี่นายมาใหม่เหรอเนี่ยนั่นไม่ใช่บ้านมันคือวังสุลต่านกับสุลต่านหญิงอยู่ที่นั่นกับเจ้าหญิงนะเจ้าหญิงเหรอใช่แล้วแต่สุลต่านและสุลต่านหญิงอะหวงลูกสาวมากเลยไม่ยอมให้ใครไปเจอได้ง่ายง่ยแล้วใครละ่ะ จะต้องการให้พวกเขาอนุญาตเขาเลยเดินทางไปหาเจ้าหญิงเจ้าหญิงนอนอยู่และเธอก็สวยมากจนสเวนนั่งตรงนั้นมองเธอทั้งคืนเขาชอบมองเธอตอนนอนหลับและหลังจากนั้นอ อ, อเธอเธอคือใครโอ้อย่าร้องผมเออผมสเวนผมเออผมคือผมคือเทวดาใช่ผมคือเทวดาแห่งหีบของเติก เทวดาห่งหีบคงเติรกเหรออะไรกันเนอะนั่นคำหรือไงไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกนะเออแต่มีฟี่ผมเป็นเทวดา<ม>ยืนอยู่ตรงหน้าคุณไงแต่ให้เป็นเรื่องจริงและคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงเข้ามาในห้องฉันโดยไม่ขออนุญาตได้ลกล้าได้ยังไงฉันไม่สนว่าเธอเป็นใครฉันจะจับตัวเธอตอนนี้เลยไม้ละไม่ละขอละผมขอโทษเออผมขอโทษ คนพูดถูกผมไม่ควรทำแบบนั้นขออภัยด้วยเลิกขอได้แล้วบอกมาขึ้นมาได้ยังไงโอ้เออโ อ, โ อ, โอ้ผมบินมาด้วยหีบนะจากดวงจันทร์ที่นั่นมีน้ำตกสวยด้วยนะแล้วก็ทะเลสาบเหมือนตาของคุณเลยซึ่งความคิดของคุณจะเวียนว่ายเหมือนนางเงือกแล้วก็หน้าผาของคุณนะเหมือนกับภูเขาหิมะที่ผมล่าสายตาจากคุณไม่ได้ บอกมาเจ้าหญิงรู้เรื่องเหล่านกที่บินส่งเด็กๆข้ามทะเลไหมล่ะขุนพระถ้าเล่าเรื่องเก่งนะเยี่ยมมากเจ้าหญิงแต่งงานกับผมได้ไหมอะไรอะไรของเธอเนี่ยเราเพิ่งเจอกันนะผมคิดว่าเราเข้ากันได้ซะอีกอถ้าก็เดียวสิที่เข้าได้นะไปซะทำไมผมแต่งงานกับคุณไม่ได้ล่ะ คุณชอบเรื่องราวของผมนี่อืมก็ชอบนะทำไมเธอไม่มาวันพรุ่งนี้มาเจอพ่อแม่ฉันละ่ะพวกเขาชอบเรื่องเล่ามากพ่อฉันชอบเรื่องเล่าสุขสร์แม่ฉันชอบเรื่องเล่าแสนเศร้าถ้าเธอเล่าเรื่องแบบนั้นได้ฉันจะแต่งงานกับเธออ๋อนั่นแหละที่ฉันชอบไว้เจอกันนะเจ้าหญิงเวนบินกลับไปในป่าด้วยหีบของเขา เขาใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนเพื่อเขียนเรื่องขึ้นมาเขาไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนเขาไม่กินไม่ดื่มและไม่นอนแล้ววันนั้นก็มาถึงเวลาที่เขาจะต้องไปเจอกับสุลตานและภรรยาเขาเดินเข้าไปในวังด้วยความตื่นเต้นเจ้าหญิงบอกพ่อกับแม่ของเธอเรื่องเทวดาหีบและการเล่าเรื่องแล้วพวกเขารอไม่ไหวแล้ว ขอแสดงความเคารพท่านสุลต่านและท่านสุตลต่านหญิงโอ้โอเคมาเริ่มกันเลย <c oughs> กาละครหนึ่งมีเหล่าไม้ขีดโอ้ oh, <c oughs> เป็นคนใหม่เหรอมาจากไหนกันละ่ะเราคือไม้ขีดเรามาจากต้นสนใหญ่เราอุดมสมบูรณ์มาก เราเป็นต้นสีเขียวได้ทั้งปีเลยนกลงมาและร้องเพลงให้เราฟังหลังจากนั้นคนตัดไม้ก็มาแล้วก็อดใจไม่ไหวตัด เ, าเราทำให้เรามาอยู่กับมนุษย์ไม่ได้ฉันไม่เห็นด้วยทุกคนจะต้องเห็นว่าเรายิ่งใหญ่แค่ไหนเสาหลักของครอบครัวเรากลายปเป็นเรือที่เดินทางไปทั่วโลกถ้าจะเป็นและเราถูกนํามาที่นี่ เพื่อนาแสงสว่างให้กับมนุษย์มันคือเรื่องหน้าเศร้านะครอบครัวนายโดนแยกจากกันทำไมจะต้องพยายามจะทำให้เราประทับใจท่านหายชอบตัวตนของตัวเองจริงๆอ้ไม่เอานะ้าคุณเห็บคุณอิจฉ้าเรานะ่ะสิเรารู้ว่าไม่มีใครมองคุณแน่ถ้าเรามาที่นี่นะคุณนายแก่พวกเขาไม่ต้องการคุณให้จุดไฟหรอก โอ้ฉันอยากจะให้ชีวิตฉันน่าประทับใจแบบนั้นที่น่ารำคาญก็คือการโดนทำความสะอาดมันขันมากเลยที่ฉันจะพอสนุกได้ก็คือการคุยกับคนเออเทนนี่นั่นแหละอ้อไม่ใช่ทุกคนโชคดีแบบเรามันจะน่าประทับใจมากที่จะได้เห็นเธอไหมนะอะไรนะอย่าพูดแบบนั้น มันเป็นสิ่งที่แย่นะอย่าพูดออกมาอย่าไปฟังเขาเลยมันไม่แย่ขนาดนั้นหรอกนะ้าเราดูสวยงามฉันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นหลังจากนั้นก็มีสาวใช้เข้าห้องมาทุกคนน่ะทำตัวเงียบเธอเอาหม้อไปวางบนเตาและหาอะไรจุดไฟไม่ขีดหวังว่าเธอจะช่วยพวกมันพวกมันก็อยากให้ตัวเอง สร้างความประทับใจเธอหยิบมันมาแล้วก็โยนพวกมันเข้าไปในก่องไม้จุดในทีเดียวแล้วพวกมันก็แยกตัวกันแล้วก็มอดไหมพวกเขาจะได้รู้จักเราหลังจากนั้นพวกเขาก็ตัวไหมแล้วข้อคิดก็คืออย่าเผาไหม้ตัวเองเพื่อสร้างความประทับใจให้คนอื่นเป็นตัวเองซะใช่เลย เป็นเรื่องราวที่เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยล่ะฟังนะเธอแต่งงานกับลูกเราได้ได้ได้แน่นอนเตรียมจัดการมาฉลองกันการจะหลงเกิดขึ้นแน่นอนทั้งเมืองเฉิดถายเหมือนดวงดาวทั้งคืนโอ้เราต้องทำอะไรเพื่อสร้างความประทับใจให้เขาหน่อย เรามาทำให้ฟ้าสว่างดีกว่าโดยไม่ได้คิดก่อนเขาเออกประทัดใส่หีบแล้วก็บินขึ้นสูงเพื่อไปจุดประทัดมันสวยงามมากแต่หลังจากนั้นโอ้ไม่โอ้โอ้โอ้ไม่นะฉันทำอะไรลงไปฉันไปเจอเจ้าหญิงไม่ได้แล้ว oh พวกเขาพูดถูก อย่าทำตัวเองมอดไหมเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับคนอื่นเป็นตัวเองซะสเวนเรียนรู้บทเรียนเขารู้ว่าเขามีความสุขก็ต่อเมื่อเขาได้สร้างเรื่องและเล่าให้คนอื่นได้ฟังไม่มีอะไรที่จะทำให้เขามีความสุขได้มากกว่านั้นไม่ใช่เงินหีบหรือว่าเจ้าหญิงและเขาก็ออกเดินทางและทาในสิ่งที่เขาชอบ<ๆ>เขากลายเป็นสเวน นักเล่าเรื่องชื่อดัง